เป็นผู้สามารถที่จะเพิกถอนความยึดถือว่าตัวตนที่ปกปิดด้วยวิญยญัตความสืบตอ่อก็คือสันติและความเป็นก้อนก็คือคณะแล้วอย่างลงสู่นยสาครอย่างนี้คือเอกัตไนในที่มีความเป็นอันเดียวกันนานัตันในที่มีความต่างกันอพยาปาลนไนในที่ไม่มีความขวนขวายเอวังธรรมตาไน ในมีความเป็นธรรมดาอย่างนั้นแล้วทรงแสดงอันิจจะลักษณะกล่าวคือความแตกสลายไปแห่งความสืบต่อในขณะแห่งนามรูปทั้งหลายที่เป็นไปด้วยอำนาจความสัมพันธ์กันแห่งเหตุกับผลคือความมีในภาวะนั้นทุกลักษณะอันมีอาการเกิดขึ้นเสื่อมไปและบีบคั้นเป็นลักษณะและอนัตตลักษณะอันเต็นภาวะที่ไม่เป็นไปในอานาจ แกเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแล้วทรงยังความกลัวความสะดุ้งให้เกิดขึ้นแล้วทรงแสดงพระนิพพานและทางที่ยังสัตว์ให้ถึงพระนิพพานว่าความเกษมมีอยู่แก่สัตทั้งหลายผู้ถูกภัยในสังสาระคุกขามแล้วยังอมตะมหานิพพานให้ถึงพร้อมอีกในหนึ่งแปลว่า ความเกษมมีอยู่แก่สัตว์ทั้งหลายผู้เกิดความกลัวความสะดุ้งแล้วถูกภัยในสังสาระคุกขามแล้วนั้นจึงกล่าวว่าพระมหาบุรุษนั้นผู้เดียวเท่านั้นทรงกระทำความสงบทรงกระทำแสงสว่างทรงพิจารณาสิ่งที่พึงรู้อย่างไม่มีส่วนเหลือได้เปล่งอาสพิวาจาอย่างยิ่งในท่ามกลางเทวดาและมนุษย์เหล่านั้น เป็นผู้สามารถที่จะแสดงทางที่มีความปลอดภัยในคาถานั้นมีอธิบายดังนี้คำว่าเอกวะโสนั้นผู้เดียวเท่านั้นคือพระมหาบุรุษนั้นเป็นผู้ไม่มีสหายคำว่าสันติกรโรทรงกระทาความสงบมีอธิบายว่าทรงยังพระนิพพานให้สำเร็จแก่สัตว์ทั้งปวง คือส่งยังความเร่าร้อนเพราะกิเลสให้ดับได้แก่ส่งยังไฟนั้นของสัตว์ทั้งหลายผู้ร้อนรนด้วยไฟ1 1ประการคือราคะคิไฟราคะโทสัคิไฟโทสะโมหคิไฟโมหะชาตักคิไฟคือความเกิดชร า, าคิกับไฟคือความแก่พยาทักคิกับไฟคือความเจ็บไขามารณักคีกับไฟคือความตาย โสกขิกไฟคือความโศกปริเทวขิไฟคือความกำาควนทุ ก, ข, ก, ข, ท ก, กทขขิไฟคือความทุกข์กายโทมนัส ข, ขิไฟคือความทุกข์ใจอุปายาขีไฟคือความคับแค้นใจให้ดับด้วยฝนคืออมตะเจสนาคำว่าปะพังกรโรทรงกระทาแสงสว่างมีวิเคราะห์ว่าพระมหาบรุษใดทรงกระทาแสงสว่างเหตุนั้น พรมหาบุรุษนั้นชื่อว่าปะพังกระผู้กระทำแสงสว่างได้แก่ทรงกระทำแสงสว่างแห่งธรรมทรงกำจัดความมืดคือโมหะแล้วทรงแสดงแสงสว่างแห่งยานคำว่าสังขายะเยายานิอเ ส, สสิตานิทรงพิจารณาสิ่งที่พึงรู้อย่างไม่มีตัวเหลือมีอธิบายว่าทรงรู้สิ่งที่พึงรู้คือเยยธรรมห้าอย่าง ได้แก่สังขารวิการลักษณะนิพพานแล้วก็บัญญัติโดยไม่มีส่วนเหลือทำเจ็ดสิบเอ็ดประการคือรูปสิบแปดสภาวะรูปหรือว่านิพพนรูปสิบแปดจิตเจดศิห้าสิบสามจิตทั้งหมดแปดเก้ารอยิบเอ็ดแปดเก้าหรือ1้อยิบเอ็ดเนี่ยนับเป็นหนึ่งเท่านั้นเจดศิห้าสิบสองก็รวมเป็นจิตเจดิห้าสิบสามชื่อว่าสังขาร น, นะ เจ็สบอดอย่างนี้ชื่อว่าสังขารธรรมะห้าประการคือวิญญาติรูปสองกายวิญญาติวัชวิญญั ต, 2, ญญ ต, ญญตแล้วก็รูปสามวิการรูปสามนะก็คือละหุตารูปรูปที่เบามุตตารูปรูปที่อ่อนครบรญญตารูปรูปที่กวนในการงานสามอย่างนี้นะรวมกับวิญญาติรูปสองนะเรียกว่าวิการนะวิการ ร, รูปห้า ชาติชรามรณะชื่อว่าลักษณะก็คือลักษณะรูปนั่นเองชาติก็ได้แก่อุปจิญญากสันตติชราก็คือชราตาแล้วก็มรณะก็คืออนิจจตาก็รวมทั้งปัตติทิติพังคะค ว, วามเป็นไปของนามด้วยก็เป็นสังฆตาลักษณะอนะแล้วก็ทางแห่งความสงบชื่อว่านิพพานคำนี้ก็คือ ความสงบนะตัวความสงบคือพระนิพพานแล้วก็โวหารนั้นๆอันได้แก่บัญญัติเป็นสัทธะบัญญัติแล้วก็อัฏฐบัญญัติชื่อว่าบัญญัติเพราะฉะนั้นทำห้าอย่างนี้เรียกว่าเยธรรนะ ย, ะยะธรรมนะเยยธรรมนะสังขารก็ได้แก่นิพพานรูปสิบแปดจิตเจรสิทธิท่านสิบสามเป็นเจ็สิบเอ็ดอย่างธรรมะเจ็ดสิเจ็ดอย่างนี้เรียกว่าสังขาร ส่วนวิการก็ได้แก่วิวญญัติรูปสองแล้วก็วิการ ร, รูปสามเป็นห้าวิการ ร, รูปนีเรียกว่าวิการแล้วก็ลักษณะก็ได้แก่ชาติชรามรณนะก็ได้แก่ลักษณะรูปสีนั่นแหละ น, นิพพานรวมทั้งบัญญัติด้วยนี้ชื่อว่ามนทนแห่งสิ่งที่พึงรู้ห้าประการในมนทนแห่งสิ่งที่พึงรู้ห้าประการนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรวมเทวดาพรหมมนุษย์สัตว์ระหานเปรตสัตว์นรกซึ่งมีวิสัยต่างๆมีโคจรต่างๆมีอนุภาพต่างๆที่ได้รับการเรียกขานว่าสัตว์ทั้งหลายในโลกกัทาสอันหาประมาณนี้ได้ทั้งปวงนั้นไว้ในที่เดียวกันแล้วย่อมทรงทราบตลอดจนจบสิ้นว่ากองแห่งธรรมเจ็ดสิบสามว่าด้วยรูปและอารูป ได้รับการเรียกขานนั้นๆไม่เกินไปกว่านี้คือนิพพานรูปสิบแปดนี้ได้แก่สิ่งที่มีในกายนี้คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนี่ก็คือมหาพูธ ร, รูปสี่ตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้ก็คือประสาทรูป5้ารูปเสียงกลิ่นรสอันนี้ก็คือโคจรรรูปสี่แล้วก็โอชาก็คืออาหารรูป อิตินทรีปุริสินทรีย์ชีวิตินทรีย์นี่ก็เป็นอินเดริยะรูปสามรูปก่อนนะแต่ภาษาทารุปห้าก็เป็นอินเดริยะรูปเหมือนกันก็เป็นอินอินเระยะรูปรูปที่เป็นอินสีเนี่ยแปดรูปที่เป็นใหญ่เนี่ยนะแล้วก็หาทิยวัตถุก็คือวัตถุรูปหนึ่งอันนี้เป็นรูปธรรมอรูปธรรมห้าสิบสามรูปธรรมห้าสิบรูปธรรมคือนิพพนโรกสิบแปดนะนะ ส่วนอรูปธรรม53คือสัพพจิตตสาธารณเจตสิกแต่ถ้าเกิดพูดถึงสัพพสาธารณเจตสิกขั้นรวม8เลยนะนับจิตด้วยภาสาเวทนาสัญญาเจตนาจิตสมาธิชีวิตินทรียวนัสิการก็นับ8เลยนะแต่ความจริงแนละ้วสัพพจิตตสาธารณะ7แล้วก็จิตหนึ่งก็เป็น8 ปกินากะเจตสิกหกก็คือวิตกวิจารปีติวิริยะฉันทะอธิโมกแล้วก็กุศลลเจตสิกนะคือโสภณเจตสิกนั่นแหละยี่สิบห้าก็ได้แก่ศรัทธาสติหิริโอตตปาอโลพะอโทซาอโมหนะตัตระมช่ ต, ตาตาการวางตอนเป็นกลางเลยนะ กายปัสสธิความระงับทางกายจิตตาปัสสติกับความระงับทางจิตกายหลูตาก็ความเบาทางกายจิตตาหุตาก็ความเบาทางจิตกายมุตุตาความอ่อนโยนแห่งกายจิตตามุตุตากับความอ่อนโยนแห่งจิตกายกรรมญตากับความที่กายควรแก่การงานจิตตากามญตาก็ความที่จิตควรแก่การงานกายปาคุญตาความที่กายคล่องแคล่วจิตตาปาคุญตาความที่จิตคล่องแคล่ว กายยุจุคตาความที่กายตรงจิตตุชุคตาความที่จิตตรงกรุณาก็ความสงสารหวังให้คนอื่นพ้นทุกข์มุติตาความพอหยินดีกับคนอื่นในเมื่อคนอื่นได้ดีมีสุขสำมะกรรมตะการงดเว้นจากกายทุจริตสำมาวาจาการงดเว้นจากวาจีทุจริตสำมะอาชีวะการงดเว้นจากนิจฉาชีพอันนี้ก็เป็นโสมพนะเจตสิกยี่สิบห้า ส่วนอกุศลสิบสี่อกุศลเจ็ดสิบเหล่านี้ก็คือโลภะความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงทิฏฐิความเห็นผิดมานะความสำคัญตัวถือตัวอิสาความไม่ยินดีในสมบัติของคนอื่นมัชยริยะความไม่แปรธนาให้สมบัติของตนเป็นสาธารณะแก่คนอื่นกุกุจจาความเดือดร้อนใจอุทจจะก็ความฟุ้งซ่านวิจิกิจฉาความสงสัย อายริกะความไม่ละอายต่อบาปอนตุตตะปะความไม่เกรงกลัวต่อบาปถีนะความที่จิตไม่ควรแก่การงานมิทะความที่เจตสิกไม่ควรแก่การงานนะอันนี้ก็เป็นอกุศลเจตสิกสิบสี่นะซึ่งก็เป็นสภาวธรรมที่เราท่านทั้งหลายต่างยึดถือว่าเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็ทรงเพิกถอนให้เข้าใจความจริงว่าเป็นเพียงสภาวธรรมที่เป็นรูปเป็นจิตเป็นเจตสิก พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกำหนดพยากรณ์แล้วด้วยพระสัพพัญยุตยานว่าความเป็นผู้มีกายเบาอ่อนโยนควรแกการงานมาแล้วอย่างนี้ว่าเปรียบประหนึ่งบุรุษมีกำลังเหยียดแขนออกหรือคูแขนเข้าชั้นใดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหายพระองค์จากมนุษยโลกแล้วไปปรากฏในพรหมโลกทรงหายพระองค์จากพรหมโลกแล้วมาปรากฏในมนุษยโลก ความเป็นไปอย่างนั้นอย่างนั้นแห่งนิพนรูปสิบแปดด้วยอำนาจจิตที่ถึงความเป็นของเบาอ่อนโยนและควรแกการงานทั้งหมดนี้คือกายวิญญัตวจีวิญญัตรรวมเอากิริยาที่บังเกิดแต่การเคลื่อนไหวกายการเคลื่อนไหววาจามีการหัวเราะการทักทายการป้อนราและการขับร้องเป็นต้นรูประหุตารูปมุตตตารูปกมัมยาตา อัตตาผู้กระทำการเคี้ยวกินการดื่มการกล่าวการโกรธเป็นต้นในนิพนรูปนี้ย่อมไม่มีก็เป็นเพียงสภาวะรูปะแล้วก็มีอสภาวะรูปก็คือรูปรตามุตตากามยตาเบาอ่อนกุในการงานและกายยบิยัตกิจยั ต, ต, ตก็ทําให้มีอาการความเป็นไปต่างๆซึ่งเกิดจากจิตนั่นเองเพราะฉะนั้นไม่มีอัตตาในนิพนธรูปในนิพนรูปเหล่านี้เลย ทรงทราบชัดแล้วว่าก็อันความเกิดความแก่และความตายนั้นเป็นสภาวะของสัตว์ทั้งหลายสัตว์อะไรในโลกที่จะพ้นจากความเกิดความแก่และความตายนั้นย่อมไม่มีสัตว์ทั้งปวงมีความแก่และความตายเป็นที่สุดสภาวะแห่งการเกิดของสัตว์ทั้งหลายที่ตายแล้วอย่างนั้นย่อมสําเร็จโดยตัวเดียวเทียวดังนั้นสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้จึงเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําอีก สัตว์ทั้งหลายที่พากันเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาย่อมถึงความแก่สัตว์ทั้งหลายที่ถึงความแก่ย่อมแตกดับไปแน่แท้เพราะฉะนั้นจึงไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตานอกจากนั้นพระองค์ยังทรงทราบชัดแล้วทรงแสดงทรงเปิดเผยทรงจำแนกทรงกระทําให้เข้าใจง่ายซึ่งหนทางที่นําผู้ปฏิบัติให้ถึงนิพพานนั้นว่า อุบายที่จะทำให้พ้นมีอยู่แก่ตัดทั้งหลายผู้ตกอยู่ในอำนาจไตรลักษณ์ผู้ถูกผูกไว้กับวงล้อแห่งความเกิดความแก่และความตายผู้ถูกลูกสอนคือความโศกและความรับแค้นเสียบแทงผู้กลัวภัยในอบายสิ่งนั้นก็คือนิพพานที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายสงบและเป็นสุขเพราะฉะนั้นอันนี้แหละเป็นความผลทุกข์ซึ่ง จะถึงได้ด้วยหวนทางคืออริยมรรคก็ปรมัทถโวหารโดยในายเป็นต้นว่าภาษะเวทนาสัญญาเจตนาจิตและว่าสติปัฏฐานสี่นี้สัมปะทานสี่นี้อิทธิบาทสี่นี้อินสีห้านี้พละห้านี้โพชฌงเจ็ดนี้อริยมรรคหนองค์แปดนี้ที่ยังไม่มีใครประกาศ ตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆปริญิพานไปมิใช่วิสัยของพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นปรมาถบัญญัติตามเป็นจริงนั้นใดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบชัดซึ่งปรมาถวัวหานั้นทั้งหมดด้วยพระปัญญาแล้วทรงแสดงทรงบัญญัติโดยในใยเป็นต้นว่านี้ผัสสะนี้เวทนานี้สัญญานี้เจตนานี้จิต พันธวหารก็จะมีสองอย่างนะสมมุติโวหารกับปรมาถาวหารก็คือบัญญัตินั่นเองบัญญัติที่บัญญัติในสิ่งที่มีจริงก็เรียกว่าปรมาถาววหารก็คือจิตเจริญิกรูปนิพพานสติปัฏฐานสัมมปัฏฐานเหล่านี้เป็นบัญญัติที่เป็นวิสัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติได้เท่านั้นแม้กระทั่งพระพเจกาพะพุทธเจ้าหรือพระสาวกทั้งหลายก็ไม่สามารถที่จะบัญญัติได้ส่วนสมุติวัวหารบัญญัติปกติทั่วไปของชาวโลกเขาเรียกว่าเป็น บัญญัติในสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงออวิชามาน่าบัญญัตินะก็คือคําว่าพ่อแม่พี่น้องอสิ่งเหล่านี้ก็เป็นบัญญัติรบราบ้านช่องประเทศเมืองบ้านช่องพวกนี้ก็เป็นบัญญัติในสิ่งที่ไม่มีจริงเพราะฉะนั้นคใครๆ ก, ก็บัญญัติขึ้นมาได้แต่ว่าไม่ได้เกือ้อกูลกับการที่จะทําให้ออกจากวัฏฏะนะแต่ปรมัตุวรหานที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เนี่ยเกือ้อกูลกับการที่จะออกจากวัฏะได้ พระมหาบุรุษพิจารณาแล้วคือไตรตรองแล้วทบทวนแล้วซึ่งมนทนแห่งสิ่งที่พึงรู้ห้าประการนี้ก็คือยายาธรรมห้าประการนั่นแหละโดยไม่เหลือคือหมดส่วนเหลือไม่มีส่วนเหลือเลยได้แก่ไม่เหลือแม้เพียงส่วนน้อยด้วยพระสัพพัญยุตยานจึงได้เปร่งจึงทรงได้จึงทรงเปล่งอาศะพิวาจาอย่างยิ่งในท่ามกลางเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย อันหาประมาณมิได้เหล่านั้นในจักรวาลอันหาประมาณมิได้นั้นอาสภิวาจาก็คือวาจาอันองอาจเป็นการบรรลืออย่างศีหะอันสูงสุดเป็นวาจาที่ไม่เกรงกลัวใครได้แก่พระวาจาที่แสดงเวสารัชยาน น, นั่นเองเวสารัชยาน4ี่คำว่าปรมาสพิงวดังกล่าวหรือว่าเปลง อาสพิวาจาอย่างยิ่งคือบรลลอศีนานสูงสุดเป็นคําพูดอย่างไม่มีความเกรงกลัวใครเป็นผู้สามารถที่จะบอกทางแห่งพระนิพพานในคํานั้นที่ชื่อว่าอาสพิวาจาได้แก่เวสาัชยานสี่ประการสมดังคําที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้แล้วว่าที่สุดทั้งหลายเราไม่พิจารณาเห็นนิมิตนี้ว่า สมณะพราหมณ์เทวดามารพรหรือใครๆ ใ, ในโลกจกทักท้วงเราด้วยคำพูดที่มีเหตุในข้อนั้นว่าท่านผู้ปฏิญญาว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเหล่านี้ท่านยังไม่ได้รู้แล้วอันนี้เรียกว่าสัมมาสัมพุทธปฏิญญานะปฏิญญาความเป็นพระพุทธเจ้าพิฏฐุทั้งหลายเราเมื่อไม่เห็นนิมิตนี้จึงถึงความกเกษม ถึงความไม่กลัวถึงความแกล้งกล้ า, ออกกลาทิกสุดทั้งหลายเราไม่พิจารณาเห็นนิมิตนี้ว่าสมณะพรามณ์เท ว, วดามารพรมหรือใครๆ ใ, ในโลกจกทักท้วงเราด้วยคําพูดที่มีเหตุในข้อนั้นว่าท่านผู้ปติญญาว่าเป็นพระขีณาสพอาสวะเหล่านี้ของท่านยังไม่สิ้นไปทิกสุดทั้งหลายเราเมื่อไม่เห็นนิมิตนี้จึงถึงความกเกษมถึงความไม่กลัว ถึงความแกล้ากล้าอันนี้ก็เป็นปติญญาข้อที่สองเรียกว่าขีนาสวะปะติญญาพิสูุทั้งหลายเราไม่พิจารณาเห็นนิมิตนี้ว่าสมณะพราหมณมเทวดามารพรมหรือใครๆในโลกจักทักท้วงเราในข้อนั้นว่าอันตรายยิกธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนไว้ไม่อาจก่ออันตรายแก่ผู้เสพได้จริงพิสูทั้งหลายเราเมื่อไม่พิจารณา เราเมื่อไม่เห็นนิมิตนี้จึงถึงความกเกษมถึงความไม่กลัวถึงความแกล้งกล้าอันนี้ก็เป็นข้อที่สามคืออันตรายิกะธรรมเทศนาข้อที่สี่ก็คือภิกษุทั้งหลายเราไม่พิจรารณาเห็นนิมิตนี้ว่าสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกจักทักท้วงเราด้วยคําพูดที่มีเหตุในข้อ น, นั้นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมเพื่อประโยชน์อย่างใด ประโยชน์อย่างนั้นไม่สําเร็จเพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบแก่ผู้ทําตามได้จริงทิกสุทั้งหลายเราเมื่อไม่เห็นนิมิตนี้จึงถึงความกเกษมถึงความไม่กลัวถึงความกล้ า, อ, ลาอันนี้ก็เป็นนิยานิกธรรมเทศนาเพราะฉะนั้นเป็นปฏิญญาที่พระพุทธเจ้าสามารถที่จะเปล่งอสภิวาจาโดยไม่ข้านครามแก่ใครๆว่าจะมาคัดค้านได้เพราะว่าพระองค์ทรงตรงตรู้พระเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว อ่ใครจะมากล่าวมาโจดมาท้วงว่าไม่เป็นพระพุทธเจ้านี้ก็ไม่ไม่มีใครจะมากล้ากล่าวอย่างนี้พระองค์ทรงปฏิญญาว่าอาสวะของพระองค์สิ้นแล้วจะมีใครมากล่าวมาบอกมาค้านว่าอาสวะของพระองค์ยังไม่สิน้นก็ไม่มีนะธรรมะที่เป็นอันตรายต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานต่อสวรรค์ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วก็ใครใครจะมาคัาดค้านกล่าวโต้แยง้งโต้เสียงไม่ได้เพราะว่าทําให้ เป็นอันตราจริงนี่ยานี้จะทำมาเทศนาอริยมรรคมีองศาที่พุทธเจ้าแสดงโดยหัวข้อสีนธรรมามทิปัญญานําออกจากทุกได้จริงใครๆจะมาคัดค้านจะมาโต้แย้งว่าไม่สามารถนําออกจากทุกขได้จริงก็ไม่มีใครกล้าคัดค้านนะนะพระพุทธรักขิตาจารย์ครั้นแสดงความที่พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงเป็นผู้ยิ่งใหญ่ด้วยเทศนาอย่างนี้ว่าพระมหาบุตรกล่าว ได้เปล่งอาสภิวาจาอันสูงสุดอันถึงความเป็นผู้แกลลาคือพระธรรมเทศนาอันไพเราะซึ่งประกอบด้วยองค์แปดประการบัดนี้เมื่อจะแสดงแกสัตว์ทั้งหลายผู้สงสัยอยู่ว่าพระมหาบุรุษนั้นผู้สูงสุดแห่งสัตว์ทั้งปวงผู้เกื้อกูลผู้อนุเคราะห์สัตว์ทั้งปวงด้วยธรรมเทศนาอย่างนี้เป็นเทวดาเป็นมารเป็นพรหม หรือว่าเป็นใครในโลกนี้ว่าบุคคลนี้คือพระมหาบุรุษนั้นจึงกล่าวว่าพระมหาบุรุษนั้นคือพระโคดมผู้เป็นพระโอรสแห่งเจ้าสักยะผู้เป็นจอมแห่งมุนีผู้เป็นดุดดวงประทีปแห่งโลกทั้งปวงทรงเปลื้องสัตว์อันหาที่สุดมิได้ออกจากเครื่องผูกไว้ในภพทรงมุ่งหวังด้วยกําลังแห่งความกะรุณา ในคาถานั้นมีอธิบายว่าคาว่าโสนั้นคือพระมหาบรุษนั้นได้แก่ผู้เป็นอย่างนี้คาว่าโคตโม О, คือพระโคดมได้แก่ผู้ทรงพระนามวา่าโคตมะตามโคดคาว่าสักยะปุตโตผู้เป็นพระโอรสแห่งเจ้าสักยะคือผู้สมภพในสักยะวงได้แก่เป็นพระโอรสของพระเจ้าสุโธธนะมหาราช ประสูตรจากพระคันของพระนางมหามายาเทวีพวกมนุษย์ชาวชมพูทวีตทั้งสิน้นและพวกเทวดาพวกพรหมผู้อยู่ในมืนจั ก, กรวาลทั้งสิน้นย่อมทราบว่าพระโอรสของพระเจ้าสุธโธธนะมหาราชประสูตรแล้วอย่างนั้นเพราะว่าบุคณิมิตรนี่แผ่ไปแผ่นดินไหวแล้วก็อาการความพิเศษสาที่สองประการกับปรากฏดอกไม้ผุดขึ้นจากที่ทต่างๆในอากาศในดินในน้า อันชาวโลกทั้งหลายทั้งพวกเทวดาพรมก็พากันรู้หมดพระมหาบุรุษนั้นประสูติแล้วอย่างนั้นแวดล้อมด้วยหญิงฟ้อนรำสี่มือนางได้รับการบำเรออยู่บนประสาทสามหลังอันสมควรแก่ฤดูทั้งสามเมื่อพระนางเยโสธราเทวีประสูตริพระโอรสพระนามว่าราหุลแล้วทรงเห็นนิมิตสี่อย่างคือคนแก่คนเจ็บคนตายและนักบวชแล้วเสด็จออกผนวด กระทำความเพียรเป็นเวลาหกปีในวันวิสาขะปุณ น, นีได้ฉันข้าวปายาตที่นาสุชาดาธ่ดาเศรษฐีถวายแล้วได้บรรลุพระสัพพายุตยานเป็นพระจอมมุนีนาที่โคนต้นอัตทะโพพึกพระมหาบุรุษนั้นเป็นพระจอมมุนีอย่างนี้แล้วทรงเป็นดวงประทีปแห่งโลกทั้งปวงคือทรงดำรงอยู่ดุดต้นประทีปท่องแสงอยู่แก่สัตว์โลก สังขารโรคและโอกาสโรคทั้งสิน้นก็บุคคลใดกระทําจักรวาลหนึ่งเป็นกระเบื้องประทีบกระทําน้ําในมหาสมุทรเป็นน้ํามันกระทําภูเขาเสเนรุเป็นไส้แล้วจุดประทีบให้ลุกโครงบุคคลแม้นั้นพึงส่องแสงสว่างตลอดจักรวาลหนึ่งเท่านั้นไม่พึงกําจัดความมืดของสัตว์แม้ผู้หนึ่งได้ส่วนมหาบุรุษนี้ประทับนั่ง บ, บนบันลังเดียวแล ทรงกระทำติสหสีหนึ่งพันโลกธาตุขนาดใหญ่ให้มีแสงสว่างเป็นหนึ่งเดียวทรงแสดงปาฏิหาริย์ต่างๆแล้วทรงแสดงธรรมทรงเป็นผู้สามารถกำจัดความมืดคือโมหะที่ตกอยู่ในสันดานของสัตว์เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าทรงเปลื้องสัตว์อันหาที่สุดมิได้จากเครื่องผูกไว้ในภพคือจากการพันธนา จากพันธนาการแห่งตันหาในภพทั้งหลายด้วยการแสดงสัจจสี่เห็นป่านนั้นถามว่าเพราะเหตุไรทรงมุ่งหวังอะไรหรือจึงทำอย่างนั้นตอบว่าพระมหาบุรุษไม่ได้ทรงมุ่งหวังสการะและการกระทาความเคารพเป็นต้นอะไรๆจากสำนักของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นทรงเปลื้องด้วยกำลังแห่งพระกรุณาอย่างเดียวคือ ด้วยการแสดงให้ตัดทั้งหลายผู้ถูกความทุกข์ครอบงำเห็นภาวะที่ตนไม่มีที่พึ่งได้แก่ด้วยกำลังแห่งพระกรุณาที่เกิดขึ้นอย่างนี้ว่าเราพึงเปลื้องสัตว์เหล่านี้จากทุกและจากเหตุแห่งทุกข์อย่างไรเหตุแห่งทุกทั้งหลายก็คือพวกสมุทัยนิทานปปะวะจากวัตถุทุกก็คือการสืบต่อแห่งขันาธาตุอายตนะ นะอันเป็นไปโดยลําดับนะ่จึงได้ชื่อว่าสงสารนะก็รวมเรียกว่าวัดตับสงสารหรือว่าสังสารวัฏนั่นเองก็ปรารถนาที่จะให้พ้นทุกข์ด้วยกําลังของพระการุณาพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงประสบความทุกข์อย่างแสนสาหัสในสงสารเพราะพระกรุณาในสัตว์ทั้งปวงทรงดับเปลวไฟโทสะของสัตว์ทั้งปวงอย่างสนิทด้วยน้ําคือความอดทนหันติ ทรงบรรลุพระโพธิญาณอันเป็นพระสัพพัญญุตญาณที่ถึงความรู้และความชำนาญทั้งสิน้นข้าพเจ้ามีใจบันเทิงขอนอบน้อมพระโพธิญาณของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นตลอดการทั้งปวงการพรรณนาอส า, าธารณญาณในคัมภีร์ชินารังการะที่ให้ความเพลิดเพลินแก่สาธุชนจบแล้วด้วยประการชนี ก็ขอให้ท่านสาธุชนได้กำลังแห่งศรัทธาปีติปราโมทย์อันเป็นปัจจัยที่จะทมให้อบรมไตรสิกขาคือศีลสมัติปัญญาจเจริญรุ่งเรืองในระพุทธศาสนาตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและให้ได้บรรลุเป็นพระอริยาสาวกเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระนาคามีหรือความเป็นพระอรหันดยการไม่เนื่องช้าด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ